ได้สวดอริยมรรคมีองค์แปดเป็นการเดินนะตามรอยที่องค์สมเด็จสัมมาทูเจ้าได้ชีนะ้เอาไว้มา2อง ป, ป, ปันปันว่า ป, ป, ป, ปีแล้วมันเป็นรอยที่มีอยู่ในตัวเราทุกคนสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นทุกเห็นเหตุแห่ทงทุก ยืนมีแต่ทุกข์ตรงนั้นถ้ามองในแง่ของคนตัวตไปก็เหมือนกับว่ามองแต่แง่ร้ายแต่ว่าการมองอย่างนี้มันคือก็อเท็จจริงมันไม่มีอะไรที่เป็นสุขมันมีแต่เป็นทุกข์มีกายถ้าไม่รู้จักมันเป็นทุกข์มีจิตมีใจไม่รู้จักมันเป็นทุกข์ แต่พอรู้จักแล้วนะมันก็คือสภาวะรรมรูปตามนามธรรมมันเป็นธรรมาชาติเป็นก้อนของธรรมาชาตนะิมันก็มีเหตุปัจจนะัยที่มาเกี่ยวข้องให้เราไนดะ้ ใ, ใชนะ้ตามหน้าที่แต่ละหน้าที่แต่ละคณนะเฉพาะหน้าเฉพาะหน้า อันนี้เราเป็นตัวปัญญาสัมมาทิฏฐินะเห็นตรงนะเห็นชอบก็ไม่เห็นชอบไม่ได้เห็นว่ายึดนะเห็นเรายึด <Yeah. S 2> แต่ว่าเห็นแล้วรู้แล้วนะรู้แล้วมันก็เหมาะนะที่จะเกี่ยวข้องกันตัวเองกับตัวเองตัวเองกับผู้อื่น yeah. รอยหลวงปู้เทียนมีการเดินตามรอยกันจากบ้านเกิดวันแรกเดินจากบานเกิดบุโฮมแล้วก็จริจบที่เชิงตะกรนะก็คือจุดสุดท้ายที่ดินสู่ดินน้ำสู่น้ำลมสู่ลมไฟสู่ไฟที่ตับมิงขวัญตืบลกุดป่องจังหวัดเลย ก็มานได้มีโอกาสเห็นการเดินตามรอยที่บรรเกิดหลอนพักที่วัดศีลำดวนฉันเพนเจรากมานอนพักอยู่อีกวัดหนึ่งก็ใช้ระยะทางอยู่15กิโลเมตร <c oughs> เห็นชนกลุ่มใหญ่ประมาณ300ชีวิตนะ เป็นพระประมาณร้อยเสเศษที่เหลือก็เป็นโยมส่วนใหญ่ก็เป็นคนมีอายุแล้วก็เป็นผู้หญิงผู้ชายมีไม่ไม่กี่คนก็เดินเห็นเรื่องราวที่พระรุ่นแรกแรกของหลวงปู่เตียนได้เล่าให้ฟัง อย่างเราส ม, มัยเขาบว่ามันยากมากการที่สมัยก่อนจะชวนกันยกมือสิบสี่จังหวัดเพราะมันต้องผ่านทิฏฐิของคนต้องทวนทิฏฐิของคนอยู่ใจควรมานั่งยกมือสิบสี่จังหวัดแล้วก็พูดอะไรที่มันเป็นเรื่องของความจริงเพราะว่าวดาาัดดำเพณีอาจารย์ีต่างๆความเชื่อน ของบรรพุลุ์นี่มันเป็นอะไรที่ต้องทวนอย่างมากบางทีพระพูดกับพระด้วยกันเนี่ยก็ไม่ได้เชื่อยกตัวอย่างเช่นหลวงพ่อเทียนเองท่านสอนให้คนยกมือสักสี่งว่าก็มีพระที่กัดแย้งแล้วท่านก็ยืนอยู่สังเกตการอยู่แล้วก็ยืนอยู่ใต้ต้นโพ ก, ก็ว่า ตนเพิมก็หักใส่โดนศีรษะแตกเลือดอาบก็มีการเล่าโจทยขานวามแปลกดีหรือว่าบางทีไปนั่งเทศอยู่อย่างเช่นที่วัดศีลําดวนสิทยานุสิ์ท่านเทศอยู่ชาวบ้านฟังแล้วขาดหูอย่างมากก็จึงคั้วพริกไตทุนอยางไงนะรั้วพริกอยู่ไตทุนอะไรพระดูสิ มันก็ยังดำลงสืบทอดมาจนถึงยุคเราเนี่ยโดยวิสัยของบัณดิตเราไม่ได้เชื่อแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธตัวนี้สำคัญแต่ถ้าไม่เชื่อแล้วก็ปฏิเสธโดยที่ไม่รับฟังแล้วก็มีการโต้แย้งหรือว่าสแสดงตัวขับไล่สส่งท้ายสุดก็ปิดโอกาสตัวเองทำให้นึกถึงสมัยพระเจ้า คนที่เดินไปเจอคนแรกคือปริพาชกปริพาชกเจอพระเจ้าก็ถามมาโอ้ท่านดูผ่องใสจังเลยใครเป็นครูบาอาจารย์ของท่านท่านรู้อะไรมาสวัยนั้นโอ้สมเด็จจำม า, าเจ้าก็ยังไม่มีศิลปะในการสอนพอเจอปั๊บก็พูดความจริงเลยเราคือสยมูตจตสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง อลิภัยโชคสันหัวแล้วก็หลบไปลาพินหล อ, อกก็ว่าอย่างนั้นตามพุทธประวัติอันนี้ก็หมายถึงว่าการที่เรามาปฏิบัติธรรมเรามารับฟังรับรู้รับทราบแต่โดยความจริงที่จะปรากฏกับเราการเคลื่อนมือ14บสี่ชิ้นบารู้สึกตัวรู้สึกตัวจะเกิดความคิดขึ้นมา มันเป็นธรรมชาติเป็นกฎเป็นกรอบของกรรมฐานมันเป็นคู่กันอยู่แล้วระหว่างที่รู้สุติฐานกายกับหลงก็เป็นในความคิดแล้วก็เห็นตรงทุกครั้งที่จิตมันรู้สึกตัวขนาดนั้นก็ไม่ได้อยู่ในความคิดเพราะฉะนั้นคิดแล้วโกรดแล้วโลภแล้วหลงคิดแล้วรักแล้วชังอิสฉาริจฉามันก็เกิดขึ้นได้ยากการที่จะเกิดขึ้นมาซ้อนขึ้นมาขนก็นั้นหมายถึงว่า ความรู้สึกตัวในขณะ น, น, นั้นมันเลื่อนลอยมันเจือจางมันไม่ชัดเจนในขณะ น, น, นั้นมันก็เป็นไปได้ว่าขณะจิตที่คิดฟุ้งปูงแต่งมันจะเกิดการยึดเกิดอุปทานขึ้นมานมันมีอุปทานมนมีตันหาเพราะฉะนั้นเหตุแห่งทุกข์ก็คือหลงเข้าไปในตันหาอุปทา น, นาไปจมไปแช่ ไปยึดไปหยุดอยู่กับความคิดนะบางคนมีปัญหาเก่ า, กาๆมันก็วก่นวุ่นคิดซ้ำซ้ำซักซเหมือนภัยเรือในอ่างมีหลวงพ่อพระครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเปรียบเทียบว่าเหมือนมดแดงไต่ขอบกระด้งวุ่นวุแต่เราเป็นนักกรรมฐานแเรวก็โต้อตอบทักท้วงปฏิบัติว่ากลับมาฐานก็คือที่ตั้งนี้ ปฏิบัติธรรมทำกรรมฐานกกลับมาหาที่ตั้งการกระทาของเราขณะนี้ขณะ น, นี้มันก็มีความชัดเจนสําหรับผู้ที่เข้าใจแล้วก็จะประเด็นมาฝึกตนมาเกิดการกระทํามั่นมันก็เห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยมันห้ามไม่ได้ความคิดล้วาความเจ็บความปวดความเมื่อยความง่วงห้ามไม่ได้อันนี้มันเป็นผลเป็นโซของการปฏิบัติธรรม ส่วนการปฏิบัติธรรมก็ต้องผ่านผ่านอาการต่างๆมันเป็นธรรมชาติแต่ก็ไม่เป็นไรสำหรับนักปฏิบัติธรรมกรรมฐานอย่างเช่นว่าเมาื่อวานเนี่ยเดินทวนภาคบ่ายนะที่ตะวันตกแดดส่องหน้าอยู่ตลอดเวลามันก็เป็นความร้อนบันเว็ความเจ็บความปวดความเมื่อยนะ มันก็เป็นอาการต่างๆที่แสดงปรากฏออกมาภายนอกตาเราก็ะทบอย่างเช่นว่าเดินมามันก็มีดอกหญ้าสองข้างทางเป็นจังหวะที่หญ้าเขาก็ออกดอกหญ้าแต่ละชนิดก็มีสีสันของดอกบางก็สีเหลืองดอกเล็กๆดอกใหญ่ๆตะวันบางทีก็มีอ สัตสลาสิ่งนะหรือว่าผ่านเลือกสวนไลนานะที่กำลังเขียวอยู่บางทีก็เดินมาตามฝั่งริมฝั่งแม่น้ำโขงนะเดินมาจนกทังถึงแก่งกุดคูนะ้เข้ามาถึงเชียงคานหลวงปู่เทียนเองท่านเป็นข้าวดีบนะ้านท่านก็หลังใหญ่อยู่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงนะมีเรือกลไฟนะขาขายอยู่ รองชยแดนไทยลาวท่านเป็นข้บาบดีเป็นผู้นำชาวบ้านเป็นคนที่น่าเชื่อถือพูดอะไรพูดจริงทำจริงพูดสิ่งไหนทำสิ่งนั้นไม่พูดสิ่งไหนก็ไม่ได้ทำสิ่งนั้นก็เห็นว่าท่านเป็นคนที่น่าเชื่อถือได้แต่การที่ท่านมาบวชก็เลยเหตุที่ว่าตอกถินกองใหญ่ ท้ายสุดกับโมโหภรายานะในงานบุญภรายาก็ใช้คำพูดที่ทำให้เกิดนะข้อเตือนจิตสกิจใจหลวงพ่เทียนฟังแล้วก็เห็นด้วยพูดถูกเวลาพูดถูกจังหวะนะทำห้เกิดปัญญาก็มาเห็นด้วยเห็นด้วยเชา้นะาภรยาไปถามหลวงพ่เทียนว่าข้าหมอลำจะจายย่ายยังไง เมื่อเกิดมีมหอเราศพสมโพสนะจะลองงานทอดกะถินหลวงปเทียนก็โอ้นักบุญมืออาชีพเราทอดกะถินมาตั้งหลายปีแล้วนะหน้าที่ก็แบ่งกันแล้วให้รับผิดชอบเรื่องเงินเรื่องทองยังมาถามเราอีกแค่นี้ก็โกรธแล้วคำนะพูดทั้งๆที่ไม่น่าโกรธแต่หลวงปเจียนก็งดเงีย <c oughs> มีปริยา นิ่งเมือ่อก oid แล้วก็นิน่งไม่พูดคนที่อยู่ด้วยกันก็สัมผัสได้เห็นใจเห็นพรุงกันงูเห็นนมไก่ไก่เห็นตีนงูพออาปากปับ๊บรู้ทันทีพอนิ่งปับ๊บรู้ทันทีเกิดอะไรขึ้นก็เลยสวนไปว่าอา้าวเาก็ทาบุญไป็นนลกแล้วนะถ้าโกรธเนี่ยหลงพ่อตนก็เออก็จริงที่เราทําบุญเราก็หวังความสุข หวังมีความสุขจิตใจผ่องใสแต่ตอนนี้มันเมินมันทึบแล้วก็แสดงอาการทำให้เบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นก็เลยเละตั้งแต่น้มนต้นไปเราก็จะแสวงหาวิธีการปฏิบัติไปปฏิบัติกรรมฐาน <c oughs> ก็ฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ก็ตั้งใจว่าบันนี้แหละจะตั้งใจปฏิบัติพอไปถึงปฏิบัติกร ง, ง่วงนอน เสร็จแล้วท่านก็ไปนอนพอนอนก็ลุกเอ๊ะนี่เรามาปฏิบัติธรรมนี่เราไม่ไปนอนพอลุกปฏิบัติยกมือพอเดินลงก็มันก็ง่วงก็นอนดีกว่าต่อรองกันพอนอนก็ลุกเอ๊ะเรานี้เป็นบ้าไปแล้วเนี่ยเรามาปฏิบัติธรรมทําไมมาทําอย่างนี้ลุกนัง่งลุกนอนเอาละอยากจะนอนก็นอน ถ้ามันง่วงก็ น, นอนซะเดี๋ยวตื่นมาแต่บัด น, นี้มันตืนไปจะทําความเพียนเต็มที่ท่านก็ น, นอนเสร็จแล้วท่านก็ตื่นขึ้นมาทําความเพีย่ยนอันนี้ก็คือเรื่องราวของท่านที่มีประเด็นได้พูดได้คุยรอยของท่านเป็นอย่างนั้นเรามาปฏิบัติธรรมมันก็เป็นอย่างท่านเหมือนกัน เวลาเริ่มปฏิบัติมันก็ง่วงเหงาเหานอนอย่างเงี้ยบางทีฟังเทศฟังธรรมก็ง่วงเหงาเหานอนอย่ก็ลอยเดียวกันอันนี้แหละคือสูตรของการปฏิบัติธรรมต้องเจอจนว่าเจ้าเรียกว่านิวรธรรมมีความง่วงเหงาเหานอนเบื่อซึมเศ้าเซ็งอย่างเงี้ยเกิดขึ้นมาถีนธรรมิทะเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาลังเลสงสัยขึ้นมาไม่ปลงใจสักทีหนะึ่ง นะอันนี้แล้ววิจิจิตฉาทละได้ปั๊บวิจิกิจราหายสงสัยอย่างน้อยๆกับพระโสดาบันพระโสดาบันไม่มีความสงสัยต่อไปสงสัยว่าอะไรเป็นรูปเป็นนามไม่สงสัยสงสัยว่าอะไรเป็นสมถะอะไรเป็นมิตปัจฉนาไม่สงสัยวิธีการนี้ถูกหรือผิดวิธีการนั่นถูกหรือผิดที่ไหนถูกที่ไหนผิด คนไหนสอนดีสอนไม่ดีไม่สงสัยนะเพราะตัวเองกําลังสอนตัวเองครูที่ดีที่สุดก็คือตัวเองสอนตัวเองบอกตัวเองนะมันหายสงสัยไปเลยนี่แหละก็คือผ่านสูตรมันเกิดความกลมเกลืนนะเกิดความรู้สึกว่ามันไม่เป็นอะไรกับอะไรดังนั้นนะมันเหนื่อยมันก็เป็นเรื่ององธรรมชาติของกาย ใช้กายกายก็ต้องปวดต้องเมื่อยต้องเหนื่อยอย่างเมื่ อ, อาาวานเดินเยโอ้ยเหงื่อออกมันร้อนมากๆากถ้าเทียบกับอากาศตอนนี้ของสุกะโตนะร้อนจริงๆแสบผิวเลยแหละบางคนเดินไปเนะี่ยปวดปัสสาวะนะเป็นพวกชาวบ้านคนแก่ๆก็ไม่สนใจคนจะเดินเป็นร้อยพระชีใครจะเดินก็ไม่สนใจมันไม่ไหวจริงๆนะนะ ก็้าวมข้างๆทางห่างคนที่เดินประมาณสเมตรเศษๆแล้วหันหน้าใส่ด้วยนะมันเป็นเรื่องส่วนตัวโยมนะไม่ใช่เรื่องของท่านอะเรื่องฉันฉันปวดฉันทนไม่ไหวแล้วก็นั่งยอ ง, ยองๆเลยก็นี่แหละเป็นสีสันเป็นเรื่องของเราที่เราก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงบางทีพอไปนั่งกันก็เอออาจารย์ใครอาจารย์มัน ว่าตลอดวัดตลอวัดก็จะมีลูกศิษย์ของเขาอาจารย์ตละคนตลอดนก็จะมีลูกศิษย์พอนั่งตละดครั้งก็นังคุยเราก็ไปสังเกตการแบบนั้นเราสังเกตว่าเออที่ผ่านมาของเรามันเป็นยังไงกิจกรรมนะี้มีส่วนร่วมเพื่อที่จะฝากรอยฝนะากรอยเอาไว้นะในแง่ของกิจกรรมนะว่ามีคนกลุ่มหนึ่งส่วนหนึ่งจํานวนน้อยๆนะถ้าเทียบกับหก 14 65ล้านคนในมังไตเป็นจำนวนคนเล็กน้อยที่ฝากรอยอไว้เป็นการบันทึกอาจจะเป็นเทปซีดีหรือว่าเป็นดีวีดนะีหรือว่าใครจะไปเขียนเป็นประสบการณ์ตรงนะผ่านเป็นหนังสือหนังหานะเป็นการฝากรอยอไว้ให้คนรุ่นหลังอนะุชนตามเรื่องเรื่องราวนะกิจกรรมเนี้ยกำลังนะแสดงออกถึงเรื่องอะไร มันเป็นคุณเป็นประโยชน์เป็นความจริงต่อเราที่จะนํามาปฏิบัติแล้วเกิดประโยชน์ตอนอย่างไรต่อไปอย่างเงี้ยเนี่ยนะมันก็จึงเป็นมักของคนรุ่นเรายุคเราโดยเฉพาะรอยที่เราปฏิบัติธรรมมักไปว่าชอบภาษาอสานเนี่ยมักถ้าเป็นคําพ้องเสียงไม่ใช่พ้องรูปมักเด้ก็ชอบเด้ชอบอะไร เห็นทางตาชอบไหมได้ยินทางหูชอบไหมกระทบสัมผัสทางกายชอบไหมลิ้นลิ้มรสชอบไหมจมูกได้กลิ่นชอบไหมเห็นชอบเห็นชอบเห็นชอบก็คือจิตมันปกติไม่ว่าจะดีหรือชั่วบวกหรือลบจิตมันปกติอาการปกติของจิตมันเป็นอาการที่แสดงออกถึงความไม่ทุกข์ ถ้ามันสุขก็คือทุกข์เพราะสุกท้ายสุดก็คือสภาวะของทุกข์เปรียบเหมือนกับความเย็นตอนเนี้ตามหลักวิทยาศาสตร์ความเย็นก็ไม่มีมันมีแต่ความร้อนที่ลดลงทุกข์ก็เหมือนกันเมื่อมันลดลงปั๊บมันก็เป็นความไม่ทุกข์เลยจะเรียกว่าอะไรพอเราเคลื่อนมือรู้สึกตัวปั๊บตัวรู้สึกมันคือความเป็นปกติคร น, นี้ไอ้ตัวรู้สึกที่กาย อันนี้มันก็เป็นตัวหนึ่งรู้สึกที่กายเนี่ยถ้ารู้กายอยืานญาณเวลาเรารู้สึกมโนทวารรู้สึกในจิตอันนี้ก็เป็นความรู้สึกตัวอีกตัวหนึ่งไอ้ตัวดูตัวเดียวตัวเดิมสภาวะของผู้ดูตัวเดิมสภาวะของความเป็นธรรมดาธรรมชาติเนี่ยอันนี้อันเดิมความว่างในตัวเดิมการปล่อยวางในตัวเดิม แต่เครื่องรึกรู้ก็คือสภาวะธรรมทั้งหมดเพราะนั้นจุดเป็นอะไรก็ได้ที่ปรากฏขึ้นมาความง่วงเหงาหานอนความเจ็บความปวดความเมื่อยความรงเริสงสัยนะความคิดฟุง้งซ่านต่างๆนานามันคือเครื่องรึกรู้เครื่องรึกรู้ของตัวรู้เะฉั้นตัวรู้นีมันเป็นอาการของสตินั่นเองสติที่ ร, รึกรู้นะ ระลึกระลึกระลึกส่วนรู้จะรู้ตรงไหนอรู้กายหรือว่ารู้ใจรู้อาการของกายหรืออาการของใจอย่างเงี้ยมันมีของมันอยู่เราได้รู้อย่างนี้ไหมยอย่างเงี้ยถ้ารู้ก็แสดงว่าเราเดินตามรอยตามรอยพระพุทธองค์ตามร อ, อยหลวงปู่เทียนตามรอยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มีอยู่บัตรอยู่ในโลกเนี้ยไม่เกี่ยวกับใครทังนั้นน เรียกว่าธรรมชาติมันสอนธรรมดีครูบาอาจารย์ก็คือธรรมชาติต้นไม้ใบหญ้าศาสน า, าสิ่งสายลมแสงแดดก้อนหินเม็ดดินเม็ดทรายต่างต่าก็สอนเราอยู่ตลอดเวลาถึงความไม่เป็นไรในใจเราก็อะไรขึ้นมาก็ตามไม่เป็นไรไม่เป็นไรรู้สึกตัวรู้สึกตัวตัวไกายนี่คือบทแรกเป็นหลักของนักบวชธรรมถ้าหลงเผลอไป จิตใจไม่ปกติก็กลับมาหาความรู้สึกที่ฐานกามันก็จะปรับเนะกลีย่ยให้เกิดสมดุลเกิดความเป็นกลางเกิดความพอดีขึ้นมเราก็ได้ที่พึ่งนะเป็นคาสอนในศ า, าสนานะทุกคนสามารถพึ่งตัวเองได้ส่นธรรมชาตนะิอันนี้ก็คือน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งแฝดเราพึ่งเขาเขาก็พึ่งเรานะ มาเราเพิ่มเขาเรามีกําลังกายกําลังใจมีจิตใจที่ดีเราก็ทําดีเกนสู่ธรรมชาติจึงเกิดการอนุรักษ์ขึ้นมามากมายเหลือเกินอนุรักษ์ก้อนหินอนุรักษ์สายลมแสงแดดอนุรักษ์ต้นไม้ใบหญ้าสัจจ า, าสิ่งต่างๆ่าอนุรักษ์ไว้อย่างเงี้ยอันนี้ก็คือหน้าที่คือความดีคือการงานแต่ละขณะแต่ละขณะที่เรามีกายเราก็ต้องใช้กายเรามีจิตใจเราต้องใช้จิตใจ เรมีวาจารเราต้องใช้วาจาต่อไปเกิดคุณเกิดประโยชน์เป็นสันนิษุขสันนิพัทธ์มันก็เห็นอย่างนั้นความรู้สึกตัวหนึ่งเดียวน่ะมันพาไปจนกระทั่งเกิดประโยชน์มหาศาลเกิดคุณเกิดค่ามันจึงเป็นเรื่องที่เราจะเพิกเฉยเลยล์ละหรือว่าไม่ปฏิบัติธรรมนี่ไม่ได้ขาดทุนการเคลื่อนกันไว้แต่แล้วก็ไหนเนี่ย เป็นอะไรที่มีคุณค่ามากๆสําหรับชีวิตของเราจะเคลื่อนไหวในหน้าที่การงานที่เป็นวิศวกรก็ไปเคลื่อนไหวในเราวิชาวิศวก ร, กรอย่างมีคุณธรรมที่เคลื่อนไหวในหลักของวิชาของกเกษตรกรรมก็มีคุณธรรมกับกเกษตรกรรมก็เกิดคุณค่ากับอาชีพการงานเกิดความเจริญเกิดความมั่งมีสิรสุขขึ้นมา ปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันอย่งอยู่วัดอยู่วาระสงค์เราก็อยู่ด้วยบินดาบอันนี้ก็เป็นหลักอาชีวะนะการเลี้ยงอาชีพชอบเลี้ยงชีวิตชอบมีอาชีพที่เราจะต้องเลี้ยงต้องดูต้องเรียกว่าสืบทอดอย่างเงี้เราก็ต้องอย่างเช่นเมื่อวานเขามีการประกาศกันพระสงคนะ์ที่เดินธรรมยตาส่วนหนึ่งไม่รู้ว่ามาจากไหนก็ยังกินเหล้าสูบหลี่กันอยู่แล้วก็ อย่างแวะซื้อนะซื้อน้ำเย็นๆยเอ็มหโค้กเป๊ปซี่อะไรเงี้ยก็เปการประชุมการันตีว่าห้ามมันไม่ใช่วิสัยของสัมนชัญสารรูปเรามาเดินธรรมยตราไม่ได้มาแสดงความอ่อนแอหรือว่าแสดงความโลภแสดงราคาไม่ใช่เรามาเดินแสดงแบบของนักลบกองทัพธรเพราะฉะนั ห้ามเวะข้างทางการเดินกันเดินเนี่ยบางทีมันเหนื่อยเหนื่อยมันก็เดินตามใจฉันก็จะทิ้งห่างกันอย่างเงี้ยก็มีการประชุมตอนเพลนปรับกระบวนกาให้ทุกคนเดินเร็วเราเร็วด้วยช้าเราช้าด้วยอย่างเงี้ยแต่ที่สำคัญ ก, ก็คือเดินพอดีพอดีนะเราไม่ได้เร่งรีบไปไหนมีคนแก่มีคนหนุ่มคนหนุ่มก็ต้องคอยคนแก่คนแก่ก็ต้องเร่งตามให้ทันคนหนุ่มอย่างเงี้ยมันจะเกิดความพอดีอย่างเงี้ย อันนี้ก็เรียกว่าเป็นเรื่องของชุมชนที่จะต้องเคารพซึ่งกันและกันกฎกติกากรอบต่างๆเราก็สร้างร่างวินัยกันขึ้นมาณนะบัดนั้นเลยทันทีอะไรเงี้ยองประชมุมอันนี้ก็เป็นไปเป็นส่วนประกรอบเฉยๆในการที่จะอยู่อย่างไรให้มันเกิดความงดงามความสวยงามแล้วก็สมบูรณ์แบบในการที่จะใช้รูปรักษ์หรือว่าอัตลักษณ์ต่างๆ ทำให้เกิดสังคมหรือว่าไม่มีคําว่าโลกาภชชะและใต้สุดก็คือพาไปสู่ทิศทางที่ไม่เสื่อมต่อไปไงพระองจึงมีกรอบของธรรมะกับวินัยพระศาสนานี้ไม่มีนะเดิมแท้ๆเลยนะคำว่าพุทธศาสนานี้ไม่มีมันมีแต่ศาสนานี้เรียกว่าธรรมะกับวินัยก็เปรียบเหมือนกับคนมีสองขานั่นแหละมีธรรมะแล้วมีวินัยมีวินัยแล้วก็มีธรรมะ มันไม่ใช่กระโดดไปขาเดียวมันเหน่อยนะแต่เดินสองขาเนะี่ยมันเกิดความสมดุลนะพระเจ้าก็เลยบอกว่าหลังจากที่พระองค์ตายไปนะมรณภาพเรียกปรินิพานก็ตามนะดับขันเสด็จปรินิพานละสังขารไปก่อนหน้านั้นพานนท์ก็ถามว่าพระองคนะ์จะให้ใครเป็นศาสดาแทนพระองค์พระเจ้าก็บอกว่า เมื่อตถาคตตับกันปารินิพพานไปกใกลยึดถือธรรมะกับวินัยแทนศาสดาอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องยึดถือธรรมะคืออะไรก็คือธรรมชาติเราเห็นธรรมชาติเรารู้จักธรรมชาติเราก็แจ่มแจ้งหายสงสัยในเรื่องธรรมชาติวินัยคือกรอบของชุมชนกรอบของกรรมฐาน อบของธรรมชาติทําดีมันก็ดีนะเป็นกรอบทําชัว่วก็ชัว่วแล้วเป็นกรอบทําดีไปสวรรค์นั่นแหละเป็นกรอบทําชั่วไปนรกนั่ละเป็นกรอ บ, เ, รอบเมื่อเราปฏิบัติธรรมธรรมกรรมฐานนะเหนือเกิดเหนือแก่เหนือเจ็บเหนือตายเหนือโลกเหนือทุกข์เหนือวัตฏะสงสารนั่นแหะก็เป็นกรอบมันจึงเป็นวินยัยเมื่อเรารู้ว่าเคลื่อนไหวรู้สึกตัวอันนี้เรียกว่ากายานุปัสนาสติปัฏฐานอันนี้เราเป็นกรอบ มันมีเวทนาเกิดขึ้นมาเจ็บปวดนะสุขทุกข์ที่กายที่จิตเราก็อืมรู้จักนรู้จักเกี่ยวข้องอย่างถูกต้องอันนี้เราเป็นกรอบนะเมื่อจิตก็คิดไปแล้ว ร, รู้ว่าคิดเป็นพบเป็นชาติชรามรณะเรากลับมารู้สึกตัวที่ฐานกายจนถ้ามันรู้สติมารู้แล้วว่าสติเป็นอย่างเนี้ยมันเป็นความว่างเป็นการปล่อยวางเมื่อคิดปับ๊บวางความคิดปับ๊บนะอันนี้แหละคือวิไน วินัยมันก็นําไปวิวิเศษในยะก็นำไปนําไปสู่การพ้นทุกข์สู่ความพ้นทุกข์สู่ความรู้แจ้ ง, งเห็นธรรมชาติต่างๆตากระทบรูปมันก็มีกรอบของวินยัยถ้าเผลอหลงเข้าไปมันก็ทุกข์แต่เรารู้สึกตัวเห็นสอดใส่เห็ น, หนมันก็ไม่ทุกข์มันก็เป็นกรอบอมันก็คือวินยัยนถะ้าเป็นกฎของกรรมฐานด้วยนะไปเราเข้าถึงกฎของธรรมชาติเห็นความจริงจริงๆนะ นและมันก็จึงเดินตามรอยเพื่อประทับรอยไว้ในจิตในใจของเราเป็นการฝากเอาไว้เมื่อรู้แล้วก็บอกต่อๆกันไปต่อคนที่เรารักต่อคนที่รักเราต่อทุกๆคนต่อ ส, สัตว์ส์สิ่งต่างๆอั ท, ที่สำคัญที่สุดก็คือเรายิ้มได้มาไปมาเกิดความปวดก็ยิ้มได้กระทบร้อนกระทบหนาวนินทาสนเสิร์นก็ยิ้มได้ ตายสุดแก่เจ็บตายก็เสราสุดท้ายนะเราก็ยิ้มให้คนรอบๆตัวเราดูอีกครั้งตอนนั้นนะเพราะฉะนั้นเราสังเกตให้ดีถ้าเราดูพระพุทธรูปที่ปั้นดีๆนะที่ปั้นดีๆนะไปพมา่านี่จะเห็นเยอะนะในระยะหนึ่งนะเรามองท่านท่านจะหน้าบูดหน้าบึง้งนะมองไกลๆมองไม่เห็นชัดเจนนะไม่ใกล้ชิดนะจะเห็นหน้าบูดหน้าบึง้ง แต่พอเดินเข้าใกล้อี ก, กระยะหนึ่งมองอีกมุมนึงจะมีความสงบนะพอมองอีกมุมหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นว่าท่านยิ้มใหนะ้ในตัวของพุทธลูกเนี่ยมีทุกอารมณ์ให้สังเกตดูเปิ้ลปราจะมีทั้งพระเดชและพระคุณนะแล้วก็มนะีความว่างแสดงออกชัดเจนมากไม่ถือสาหาความนะเขาว่างจริงๆนะ มันเป็นอย่างนั้นนะมีความหมายในในองค์ของพุทธลูบนะที่ปั้นถูกตามพุทธลักษณะเพราะฉะนั้นพุทธลักษณะนะมีอยู่ที่ตัวเรานะะั่นแหละบางทีเราก็บูดเบึ้งตึงเคียดบางทีเราก็ยิ้มแย้มแจ่มใสบางทีเราก็คําครวนอาไลอาวรโศกเศร้าจริงเหล่านี้ก็คือสภาวะของพุทธะถ้าเรารู้จักจริงๆนะการเห็นแจ้ง ก็คือการเห็นแจ้งมันจะเป็นการเห็นแล้วไม่จบไม่ได้เห็นปั๊บจบปุ๊กทันทีเห็นปั๊บไม่ทุกทันทีอย่างเงี้ยเพราะนั้นให้เราใช้อาการต่างๆเป็นส่วนประกอบของการดูดเป็นสูตรเป็นมหาตติฐานสูตรที่มันเห็นกายเห็นเวนาเห็นจิตเห็นธรรมเห็นแจ้งจนกระทั่งมันจบจริงๆในขณะหนึ่งขณะหนึ่งจบจริงๆเราจึงไม่ต้องหวังว่ามันจะสิ้นสุดตรงไหน ตรงไหนที่เรียว่าผ้าละหันตรงไหนที่เรียกว่าไม่ต้องปฏิบัติธรรมอีกต่อไปทุกๆขณะที่มันมีความรู้สึกตัวนั่นแหละอันนั้นแหะคือความไม่ทุกข์ที่มันมันตอกตะปูปิดฝาลงทันทีจบทันทีทุกๆขณะทีนะ่รู้ปัจจุบันตามความเป็นจริงแล้วเกี่ยวข้องถูกต้อ ง, อ ย, งอย่างนี้นะวันั้นก็พูดไว้ให้เป็นเรื่องของการ เดินตามรอยและปากรอยให้อายน์คนรุ่นหลังได้ศึกษาัต่อไปวันนี้เห็นว่าสมควรแก่อะไรเรากราบพาพร้อมกัน